อันธรมยังธรรมานุสตินยังกโรมะเสสวาคาโตภะคาวตาธโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว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 ปณนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวป จ, จตังเบทิตาโพวินยูฮีตีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้